วันนี้ฝนตกเลยไม่ความมีคนมามคิด่ว่าจะไม่มีใครมานะ อ, มอยู่ที่กรุงเทพเลยกรุงเทพอ่าอางาก็ยาเลยเอเอเอาผู้เกี่ยวกับของการมีไทยเลยขายตัวเลย เอาที่ไหนโรงแรมไหนที่ทเซ็นทรัลสเตชวลเรามีงานนะทำหมดในเม่มว่านายดีไหมก็ดีนะดีนร้สุดถ่ายดีกว่าที่อื่ค่ะเล่วนึกยังไงเห็นมา ม, มาที่นี ติตามทางเฟซบุ๊กอยู่อ่ะนี่แฟนป่ะอ๋อทางนี้อันนี้ก็กำลังถ่ายทอดเสร็จอยู่มีอะไรอยากจะคุยอยากจะถามไหมฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้มั้ยได้บ้างครับได้ทางไหนบ้าง คิดก่อนเลยครับพิจารณาพิารณาไม่ยาวทางธรรมนละความโลภ ก, กดหลงก า, ารปฏิบัติการศึกษาก็เพื่อมาถอดถอนความโลภความอยา ก, กนาครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะไม่รู้ว่าความโลภความอยาก มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของปัญหาของเราเรากลับไปคิดว่ามันเป็นคำตอบของปัญหาเพราะเวลาเราอยู่เฉยๆเราเบื่อไม่ได้ทำอะไรเราก็อยากจะมีอะไรทำอยากจะมีอะไรดูอะไรฟังแล้วพอเราได้ไปทำได้ไปดู เราก็รู้สึกสบายขึ้นสบายใจขึ้นอย่างนี้ที่เรามาขายขายแพคเกจนี่ก็ขายให้คนที่เขาอยู่อยู่บ้านเฉยๆเบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาแพคเกจมาขายพอเขาซื้อเขาก็ได้ไปเที่ยวความเบื่อที่อยู่มันก็หายไปมันหายไปชั่วคราว พอกลับมาบ้านมันก็เบื่อเหมือนเดิมเดิอก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจมาในการซื้อของซื้ออะไรมันก็ต้องมีรายได้มันก็เลยทำให้เราต้องไปหางานหาเงินกันเพื่อมาแก้ปัญหาของเราพอไปทางานมันก็เลยไปเจอปัญหาอย่างอื่นตามมาอีก ปัญหาเกี่ยวกับคนที่ร่วม ง, งานด้วยปัญหาของงานความแม่แน่นอนของงานว่าจะทำได้นานสักเท่าไหร่มันก็เลยแทนที่จะแก้ปัญหากับเป็นการหาปัญหามาเพิ่มถ้าเราแก้ปัญหาแบบพบระพุทธเจ้าเช่นเราอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทาเบื่อ เราก็มาทำใจให้สงบสมานั่งสมาธิเพราะเวลาใจสงบแล้วมันหายเบื่อหายเบื่อเราก็เลยไม่ต้องไปซื้อแพ็กเกจไปซื้ออะไรเ mm hmm. มื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปทำงานแต่เราไม่รู้วิธีแก้ปัญหาของเรา หน้าของเราก็เกิดความเบื่อนายความไม่สบายใจอะไรต่างๆเราก็เลยไปหาวิธีแก้าทางจากสิ่งต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆมันก็แก้ปัญหาให้เราปัญหาจะพลาดหน้าแต่มันก็มาเพิ่มปัญหาให้กับเราเนี่เราเนี่ยอย่างที่เราให้ฟังเบื่อก็เลยต้องไปเที่ยวอย่างนี้ พอดีเปิดดูทีวีมีโฆษณามีลดราคาพิเศษแวพอดีเราก็มีเงินพอจะไปเที่ยวได้ก็ไปไปแล้วมันก็ใช้เงินไปแล้วมันก็แก้ความรู้สึกไม่สบายได้ชัว่วคราวพอกลับมาอยู่บ้านก็ไม่สบายเหมือนเดิ ก็เราก็ต้องแก้ใหม่ถ้าแก้บ่อยๆโดยวิธีนี้เงินมันก็จะต้องร่อยหล่อแล้วอาจจะต้องไม่พอใช้ก็ต้องทําให้เราต้องไปหางานหาเงินมามันก็ต้องไปมีปัญหากับการหางานกับการทํางานมันก็มีปัญหาบานปลายแต่เรื่อยๆก็เรา แก้ปัญหาไม่ถูกปัญหาของเราความเบื่อหน่ายของเรามันเกิดจากความอยากของเราอยากจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อยู่มันชินมันเบื่อมันอยากจะได้ของแปล ก, ป ก, ปกใหม่ๆอยากได้ดูของใหม่ได้ยินเสียงใหม่ที่ไปเที่ยวกันก็เพื่อไปเปลี่ยนบรรยากาศกันนะ บรรยากาศที่บ้านมันจำเจอยู่บ่อยๆแล้วมันก็เซ็งเบื่อแต่พอไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปกินอาหารใหม่ไปดื่มเครื่องดื่มใหม่อะไรไปเปลี่ยนที่นอนใหม่ดูอะไรใหม่ๆก็เพลิดเพลิน ม, มีความสุขแต่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิม คนเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปหาสิ่งต่างๆเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศแต่เปลี่ยนไงเดี๋ยวมันก็เบื่อถ้าไปเปลี่ยนไปอยู่ที่นั่นนานๆไปย้ายที่ใหม่ไปอยู่ที่เดิมนานๆเดี๋ยวมันก็เบื่อใหม่ๆก็ดีนนคนมีสตางค์ก็เลยต้องบินไปบินมา ฝรั่งนี่พอหน้าหนาวก็บินมาเมืองไทยพอเมืองไทยร้อนก็บินกลับไปเมืองเขาถ้าเขามีเงินเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ทำได้แต่ถ้าเขาเกิดเงินไม่พอใช้เขาก็มาไม่ได้อย่างพวกรัสเซียนี่เมื่อก่อนมากันเยอะพอเงินตกเงินลดไปครึ่งหนึ่งนี่หายไปเกือบหมด ก็ามาไม่ไหวค่าใช้จ่ายสูงก็มันก็ทำให้เขาก็ต้องอยู่กับความไม่สบายใจหรือเขาก็หาจะหาอย่างอื่นทำอะไรไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าเราจะจะทาอะไรก็ตามความไม่สบายใจของเรานี้มันจะไม่หายไปอย่างแท้จริงมันจะหายไปเป็นพักๆ แล้วเดียวมันก็จะเกิดความไม่สบายใจใหม่ขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราความไม่สบายใจของเราก็คือเราไม่มีความสุขในตัวเราเองเราก็เลยไปหาความสุขจากข้างนอกซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วประสุขเดียวเดียว แล้วเดี๋ยวเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวความสุขนั่นก็หายไปสิ่งที่เราซื้อมาได้มามันก็เหมือนกับไม่ไม่ได้ให้ความสุขเหมือนตอนที่ซื้อมาใหมหๆก็ต้องไปซื้อทองใหม่เรื่อยๆให้ความสุขใหม่มันก็เลยต้องบีบล้ให้เราต้องไปหาเงินหาทองไปทำงานทำการแล้วก็ต้องไปเหนื่อย ทุกยากลำบากกับการทำงานแล้วถ้าเกิดตกงานก็เดือดร้อนเ อ, กอ่ก็เราต้องใช้รายได้ใช้เงินทองมาสร้างความสุขให้กับเราแต่ความสุขภายนอก่อให้เราสร้างเท่าไหร่มันก็เดี๋ยวมันก็จางหายไปต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆอ หาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวก็หายไปจนแก่ตายก็ความไม่สบายใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะเราไม่มาแก้ตัวที่เป็นปัญหาคือใจของเราตัวที่สร้างปัญหาให้กับใจของเราทำให้เราไม่สบายใจคือความไม่สงบ เราไม่สมบูรณ์ท้องใจมันก็มีสาเหตุมันก็เกิดจากความอยากต่างๆนี่อยากนั่นอยากได้นี่อยากไปนู่นอยากมานี่พอไม่ได้ทํามันก็เบื่อมันก็ไม่สบายใจเราเลยต้องทําอะไรอยู่เรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวไปดูนั่นเดี๋ยวไปฟังนี่ถ้าให้อยู่เฉยๆสัก ชั่วโมงหนึ่งนี่จะอื่นอัดมากมญหาดไปหาหมอหรือไปอะไรลงต้องไปรอหมอนี่เขายังต้องหาอะไรให้เราดู เ, เพื่อกันความเบื่อมีทีวีให้ดูมีหนังสือให้อ่านเพื่อที่จะทำให้เร า, ามีความรู้สึกสบายใจแต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว เดี๋ยวมันก็พอไม่มีอะไรให้เราดูให้เราฟังไม่มีอะไรให้เราทำเราก็เบื่อขึ้นมาตราบใดเราไม่มาแก้ต้นเหตุของปัญหาคือความอยากต่างๆหลายคก็ไม่มีใครรู้ว่าปัญหาของพวกเราเกิดจากความอยากต่างๆของเราอยากดูอยากฟัง อยากลิ้มรส ด, ดมเกล็ดอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆแปลกๆใหม่ๆถ้าไม่ได้ก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่โดยที่ไม่ดูไม่ฟังไม่ลิ้มรส ด, ดมเกล็ดไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงค้นพบปัญหาของพวกเราว่าใจของพวกเรานี้ไม่มีความสุข เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาธี่จะหยุดความอยากก็ต้องอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรการทำต่างๆนี้เป็นการทำงานของใจนั่งกายนี้จะทำอะไรนี้ต้องใจเป็นคนสั่ง ร่างกายนี้เป็นเพียงเป็ น, เ ป, นเป็นหุ่นที่ใจเป็นผู้เชิดร่รางกายจะขยับไปไหนมาไหนได้นี่ใจต้องเป็นผู้สั่งก่อนอผู้สั่งก็คือผู้คิดนี่ความคิดนี่แหละคือใจใจเป็นผู้คิดคิดให้ไปนูน่นให้คิดให้มานี่คิดให้ไปดูนั่นไปฟังนี่ถ้าเรา ปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากตามมาคิดถึงสิ่งนั้นก็อยากจะได้คิดถึงสิ่งนี้ก็อยากจะได้ขึ้นมาคิดถึงสถานที่นั้นก็อยากจะไปทช่พอไปดูแพ็กเกจก็ก็เห็นแนะ่้วอยากจะไปนู่นอยากจะมานี่แล้วมันก็เลยต้องทําตามความอยากแต่ทําเท่าไหร่มันก็ แก่ความไม่สบายใจได้ชั่วคราวพอกลับมาอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรก็เบื่อแต่ความจริงถ้าเราอยู่เฉยๆได้โดยไม่เบื่อได้เราก็สบายไม่ต้องไปทําอะไรให้เหนื่อยยากพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามาทําใจให้นิ่งได้ใจให้สงบได้เราก็จะหยุดความอยากได้แล้พอไม่มีความอยาก ใจเราจะมีความสุขมีความสบายเนี่คือทำไมเราถึงต้องมานั่งสมาธิกันมานั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากถ้าใจหยุดคิดได้ความอยากก็จะหยุดตามไปเพราะความอยากอาศัยความคิดเป็นผู้ทําให้เกิดขึ้นมาตอนที่เราอยากจะได้อะไรเราต้องคิดถึงสิ่ ง, งนั้นก่อน ตอนที่เราจะไปไหนได้เราต้องคิดถึงสถานที่นั้นก่อนพอคิดถึงสถานที่ที่เข า, าขายตัวให้ไปประเทศนี้ประเทศนั้นพอคิดถึงปั๊บก็เดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นอยากจะไปแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงมันเราก็ไม่รู้ว่ามีสถานที่นั้นเราก็เลยไม่ได้อยากไปเราก็จะไม่รู้สึก เบื่อนายความเบื่อนายเกิดจากการมีความอยากท ำ, ทำนู่นทำนี่แล้วไม่ได้ทำมันก็เลยเบื่อนายความอยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วไม่ได้เปลี่ยนมันก็เบื่อถ้าเราหยุดความอยากของนี้ได้ความไม่สบายใจมันก็จะหายไปแล้วความสบายใจมันก็จะโผล่ขึ้นมา ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ความไม่สบายใจจะหายไปความเบื่อจะหายไปแล้วความอิ่มใจสุขใจจะโผล่ขึ้นมานี่คือวิธีสร้างความสุขให้กับใจของเราสร้างด้วยการหยุดความคิดหยุดความอยาก ถ้าใจหยุดคิดหยุดอยากแล้วมันก็มีความสุขในตัวของมันเองแล้วมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศไม่ต้องไปที่นั่นที่นี่เพราะมันไม่เบื่ออยู่ที่ไหนมันก็ไม่เบื่ออยู่ที่ไหนก็เหมือนกับไปไปอยู่ที่ใหม่รู้สึกมันมันใหม่อย่ตลอดเวลาเหมือนกับได้ไปอยู่ที่ใหม่มันก็เลยไม่ต้องย้ายที่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้ เพรมันไม่เบื่อนี่แหละคือปัญหาของพวกเราเราไม่รู้จักวิธีแก้ความเบื่อไม่รู้จักวิธีแก้ความไม่สบายใจที่เกิดจากความเบื่อเรากลับไปคิดว่าวิธีแก้ก็คือต้องต้องไปเปลี่ยนที่ถ้าเราเบื่อที่ตรงนี้เราก็ไปเปลี่ยนที่เบื่อสิ่งนี้เราก็ไปเปลี่ยน เบื่อเสื้อผ้าก็เปลี่ยนมันเบื่อรองเท้าก็เปลี่ยนมันเบื่อกระเป๋าก็เปลี่ยนมันเบื่อทรงผมก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเรืเร่อยๆพอๆพมันเห็นไปสักพักแล้วมันไม่มีความดุดเดินใจมันซ้ำซากชินชาไม่ทําให้รู้สึกเบิกเบานใจเพราะเปลี่ยนทรงผมหน่อยดูที่ดูหน้าตาใหม่ก็รู้สึกมีมีประกายขึ้นมา ก็เกิดความสุขชั่วคราวเดี๋ยวสักพักก็เบื่อเดี๋ยวตัดผมสั้นเดี๋ยวตัดผมยาวเดี๋ยวปล่อยผมยาวมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกถ้าเราไปเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อเพื่อกำจัดความเบื่อหน่ายต่างๆเราต้องกำจัดความเบื่อหน่ายด้วยการหยุดความอยากที่จะไปเปลี่ยนบรรยากาศอาจอยู่กับบรรยากาศนั้นอาจอยู่เฉย ถัดหยุดความอยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนั้นมันจะหยุดมาได้ต้องนั่งสมาธิต้องฝึกนั่งสมาธิต้องควบคุมความคิดการจะควบคุมความคิดได้นี่ต้องมีอะไรสักอย่างนึงไว้คอยหยุดมันเร่งวิธีหยุดความคิดนี่ก็มีหลายวิธีด้วยกันตามสำนักต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเขาก็มีวิธีฝึกนั่งสมาธิไม่เหมือนกัน หลังสำนักเขาก็ให้ยุบเนาะพองเนาะให้ดูลมหายใจเข้าออกหลังสํานักก็ให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหลังสํานักก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในอระยาบทต่างๆกําลังก้าวเนาะย่างเนาะวางเนาะเดินไปก็ให้รู้ว่ากําลังเดินทําอะไรก็ให้รู้ว่ากําลังทําอะไรอันนี้เป็นอุบาย ที่จะหนึงใจให้มาจดจอ่ออยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่เราทําให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ปกติเวลาเราทํางานนี่เรามักจะต้องจดจอ่ออยู่กับการงานเราจะไม่ค่อยมีโอกาสไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้ได้นอกจากเราเผลอละ ว, วับไปได้แต่ถ้าเรามีสติดีนี่เราจะสามารถ ควบคุมบังทับใจให้มันอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวได้ไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่โดยไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆเราก็มีกำลังที่จะหยุดความคิดแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็ต้องมานั่งเฉยๆพอเวลาจะหยุดความคิดหยุดความอยาก อย่างเต็มที่นี่เราต้องนั่งเฉยๆร่างกายต้องไม่เคลื่อนไหวต้องไม่ทําอะไรเพราะการเคลื่อนไหวมันเป็นการทํางานของใจใจต้องสั่งให้เคลื่อนไหวสั่งให้เดินสั่งให้ก้าวสั่งให้ทําอะไรต่างๆใจก็ยังไม่นิ่งถ้าอยากจะให้นิ่งก็ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ให้ใจดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งดูพุทธโธก็ได้ให้นึกถึงพุทธโธ อยู่ในใจพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบแล้วความคิดต่างๆก็จะระ ง, งับดับไปชั่วข่าวแล้วความรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรต่างๆก็จะหายไปความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเรื่องอะไรก็จะหายไปเพราะความไม่สบายใจก็เกิดจากความคิดของเราที่เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเอง ไม่สบายใจกับเรื่องงานก็เพราะเราไปคิดถึงมันไม่สบายใจกับเรื่องคนนั้นคนนี้ก็เพราะเราไปคิดถึงเขาเราพอคิดแล้วก็เกิดความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้งานของเราดีให้ได้ดังใจหมายพอไม่ได้ก็ไม่สบายใจคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็ไม่สบายใจ แต่พอเราหยุดคิดเราก็ลืมเรื่องของเขาเป็นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็ลืมเรื่องต่างๆไปตอนนี้เราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเพราะตอนนี้เราต้องตั้งใจฟังถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราก็จะไม่รู้เรื่องว่าเรากาลังฟังอะไรพอเรามีความตั้งใจฟังเราก็ไม่สามารถที่จะแวบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เรื่องที่เคยมีปัญหาก่อนหน้าที่เราจะมาถึงที่นี่มันก็หายไปชั่วคราว พราะเราไม่ได้ไปคิดถึงมันแต่ถ้าเดี๋ยวเรากลับไปคิดถึงมันขึ้นมามันก็ทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมาได้เน้นถ้าเราไม่อยากจะมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องหยุดคิดถึงเรื่องต่างๆให้ได้วิธีที่หยุดคิดกันเนี่ยถ้านั่งเฉยๆจะใช้คําบริกรรมพุโทโธไปก็ได้ ให้ราลึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ไปคิดอะไรแล้วใจจะลืมเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะนิ่งแล้วก็จะมีความสบายไม่สบายใจก็จะหายไปแั่มันก็เป็นความไม่ความสบายใจชั่วคราวเพราะเดี๋ย ว, วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอคิดมันก็ไม่สบายใจขึ้นมาอีกถ้าเรายังต้องการให้มันสบายใจเราก็ต้องหยุดคิดอีกก็ต้องพุโทโธต่อไปออกจากสมาธิมาแล้วก็อย่าปล่อยให้ใจคิดพอมันจะคิดเราก็เดึงมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังทำอะไรก็ให้มันอยู่กับงานอย่าปล่อยให้มันไปคิด ถ้าเรา ย, ยังควบคุมความคิดได้มันก็ยังจะสบายใจอยู่ถ้าเราอยากจะสบายใจแบบถาวรโดยที่ไม่ต้องควบคุมความคิดเราก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งวิธีคิดที่ทำให้เราเลิกคิดถึงเรื่องนั้นเราสามารถเลิกคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจได้ถ้าเราคิดเป็นคิดว่าเรื่องที่เราไม่สบายใจนะั้น เป็นเรื่องที่มันเดี๋ยวก็ผ่านไปเป็นเรื่องชั่วคราวสิ่งต่างๆไม่มีอะไรที่ถาวรในโลกนี้คนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ตายไปหรือเขาอยู่กับเราเดี๋ยวเดี๋ยวกขาเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นทุกสิ่งทุก อ, อย่างมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไป เวลาไปแล้วปัญหาที่เกิดกับเขาก็มันก็มันก็หมดไปเองแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราไปคิดถึงนั้นเราก็ไปไปควบคุมบังคับไม่เขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้<ม>ตอนนี้ที่เราไม่สบายใจกันเพราะเราชอบควบคุมสถานะควบคุมบังคับสถานการณ์เหตุการณ์ให้มันอยู่ภายใต้ความอยากความต้องการของเรา แต่พอเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามองด้วยความมองด้วยปัญญามองตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่ามันก็ต้องมีเหตุการณ์เรื่องมีสถานการณ์ที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเรื่องสุดวิสัยเรื่องเหนือความสามารถของเราถาอะไรมันเหนือความสามารถของเรา ควบคุมบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ปล่อยมันไปสิอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราปล่อยมันได้ปล่อยให้มันเป็นไปเช่นร่างกายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ต้องให้มันเจ็บอยู่กับมันไปมันจะตายก็ต้องให้มันตายเพราะมันเป็นเรื่องของความจริงความจริงที่ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงได้ไป ไปอยากควบคุมบังคับให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะเดือดร้อนไปต่อเปล่าหุนวายใจต่อเปล่ า, านี่คือให้คิดไปตามความเป็นจริงแล้วความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่อง ต, าต่างๆมันจะหายไปเพราะเราจะยอมรับความเป็นจริงของเขาได้เขาเป็นอย่างนี้เราสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็อย่าไปเปลี่ยนสิก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไป ทุกอย่างเหมือนดินฟ้าอากาศแต่เราไม่มองเห็นว่าเป็นดินฟ้าอากาศเราคิดว่าเป็นเหตุการณ์เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการได้ใช่เวลาส่วนใหญ่เราอาจจะบริหารจัดการได้แต่มันก็ต้องมีเวลาที่มันเราไม่สามารถบริหารจัดการได้ถ้าถึงเวลานั้นมันจะทําให้เราไม่สบายใจ แต่ถ้าเราอยากจะให้ใจเราหายจากความไม่สบายใจเราก็มองความจริงยอมรับความจริงเช่นสมมติว่าเราวิตกเรื่องที่เราจะตกงานแต่ถ้าเรามองตามความจริงว่าถ้าเขาจะให้เราออกเราก็ต้องออกเราจะอยู่ไม่ได้เช่นบางทีเขาขาดทุนเ้าก็ต้องลดพนักงานไม่มีเงินเดือนที่จะมาจ่ายทุกคน กาต้องให้คนนั้นคนนี้ออกเราก็อาจจะเป็นคนที่ถูกเขาคัดเลือกออกก็ได้แต่ถ้าเรามาอยากไม่ให้ถูกคัดเลือกออกเราก็จะทุกข์เพราะเราไม่ยอมมองความจริงไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้าเรายอมรับความจริงเราก็จะไม่ทุกข์ไ ม, ไม่ไม่เบือ่อไม่กังวลถ้าเรามองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอน และเราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้นี่คือวิธีคิดที่ทำให้เราสบายใจทำให้เราไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาทุกข์กันไม่มีงานทำก็ดีจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรม ได้ของที่ดีกว่าสิ่งที่เราได้จากการทำงานเราทำงานเราได้เะไรเราก็ได้เงินได้เงินมาซื้อความสุขเพื่อมาแก้ความเบื่อน่ายต่างๆแต่ซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่หายไปมันไม่หายขาดมันก็หายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับโผล่ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเรามีเวลามานั่งสมาธิมีเวลามา ฝึกสอนใจให้คิดไปตามความเป็นจริงเราจะสามารถแก้ความเบื่อหน่ายได้อย่างถาวรต่อไปจะไม่มีความเบื่อหน่ายกับอะไรจะไม่มีความกังวลกับอะไรจะไม่มีความไม่สบายใจกับใครเลยใครจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเหตุการณ์จะเกิดจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปถ้าเราห้ามไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เราจะทำยังไง ก็ต้องทําใจถ้าทําใจได้ก็จะสบายแต่ถ้าทําใจไม่ได้ก็จะไม่สบายใจใ น, นี่คือเรื่องของปัญหาของพวกเราอยู่ที่การที่เราไม่ยอมรับความจริงกันเราอยากจะให้ของที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากจะควบคุมบังคับสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ เราก็คุมบังคับไม่ได้พอเปลี่ยนไม่ได้ก็ก็ไม่สบายใจอยากให้ของที่ไม่เที่ยงอยู่กับเราไปนานๆพอเขาไม่อยู่กับเราเราก็เสียใจเพราะเราไม่มองความจริงกันเรามองตามเรามองความอยากความอยากของเราต้องจะตรงกันข้ามกับความจริงความอยากของเราเราอยากจะได้ของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยง อยากชีวิอยากจะได้ของที่เราควบคุมไม่ได้ให้เราควบคุมได้อยากจะได้ความสุขจากของที่จะต้องเป็นความทุกข์กันเราก็เลยทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาอย่ถ้าเรามาเห็นความจริงว่าของทุกอย่างไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับไม่ได้เรามาหัดทาใจอยู่กับมันดีกว่ามาเตรียมรับกับความไม่เที่ยงของมันดีกว่าเช่นพวกเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไปถึง ถึงกี่กี่ปีกันเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันจากกันไม่ s> <S จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายมันต้องมีวันจากกันเหตุการณ์ต่างๆเราก็ไปควบคุมบังคับไม่ได้ตลอดเวลาเช้นควบคุมให้มีแต่เงินไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ให้เงินไหลออกมันก็ควบคุมไม่ได้เงินมันชอบไหลออกมากกว่าไหลเข้า เวลาไหลเข้าสนี่มันยาก็เกินกว่าจะเข้ามาได้แต่ละบาทนี่แต่เวลาไหลออกนี่แนะมมันไหลง่ายแล้วเกินพรดพาดพรวดพาดนี่แหละเป็นเรื่องของความไม่สบายใจของเราเกิดจากการที่เราควบคุมความคิดของเราไม่ได้สอนให้เราคิดไปในทางที่ทำให้เราสบายใจไม่เป็น เราชอบคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่สบายใจคิดไปทางคิดไปตรงกันข้ามกับความเป็นจริงของที่ไม่เที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยงเช่นร่างกายนี้เราอยากให้มันเที่ยงไม่ถา ม, มจริงๆอยากให้มันตายไหมหรือไม่อยากให้มันตายแล้วมันต้องตายหรือเป <c oughs> ล่าล้าทำไมไปอยากให้มันไม่ตายอยากไม่ตายแล้วมันมันไม่ตายหรือเปล่า มันก็ตายอยู่ดีแต่เวลาอยากไม่ตายแล้วมันสุขหรือมันทุกข์อ่ะแต่ถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่ตายเราจะไม่ทุกข์แล้วก็จะเฉยๆตอนนี้เราไม่มีความอยากไม่ตายเพราะเราไม่ไปคิดถึงมันเราก็เลยไม่รู้สึกเรื่องของความตายแต่ถ้าเกิดไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าจะต้องตายภายในสามเดือนนี่ดูสิว่าเราจะทำใจได้หรือเปล่า ถ้าทำใจได้เราก็ไม่ทุกข์น้ำว่าทําใจก็คือยอมรับความจริงยอมรับว่ามันมันต้องตายวิธีที่จะทําให้เรารับความจริงได้ก็ต้องเอาธรรมะของพระเจ้ามาสอนเราสอนว่าร่างกายความจริงมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงหุ่นที่เราใช้เราเชิดมันอยู่มันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้ทําภารกิจการงานต่างๆ เหมือนคนรับใช้เดี๋ยวมันก็ต้องตายจากต่อไปแต่เราผู้เป็นเจ้านายมันนี่เป็นผู้สั่งมันนี้เราไม่ได้ตายไปกับมันใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้สั่งผู้คิดให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้เป็นเป็นความรู้ที่พระเจ้าได้ท่งคนพบถ้าเราเชื่อว่าเออร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันจะตายก็ตายไป เราไม่ได้ตายไปกับมันเราตายทุกวันทุกคืนรู้ป่าเนี่ยเวล า, เานอนหลับนี่ร่างกายก็เหมือนตายไปแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรเลยเวลาหกเจ็ดชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงนี่เราเหมือนกับคนตายทำไมเราไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราเดี๋ยวเรายังจะฟื้นขึ้นมาได้อยู่แต่พอเราเห็นร่างกายที่ตายแล้วไม่ฟื้นเราก็เลยไม่อยากไม่ไม่อยากให้มันตาย แต่ความจริงมันฟื้นมาอีกรูปแบบหนึงแล้วก็มาเกิดใหม่เราก็มาได้ร่างกายอันใหม่พอร่างกายนี้ตายไปเดี๋ยวไม่กี่ปีเดี๋ยวก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่เมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราจะได้ร่างกายนี้เราก็มีร่างกายอันนู้นอยู่ร่างกายอันนู้นพอมันแก่หรือมันเกิดอุบัติเหตุมันเป็นอะไรตายไป เดี๋ยวเราก็ได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายนี้ก็เป็นร่างกายอันใหม่แทนร่างกายอันเก่าช่วงที่เราไม่มีร่างกายก็เหมือนช่วงที่เรานอนหลับตอนนั้นเราก็นอนหลับแล้วก็ฝันดีฝันร้ายไปแล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแน่เราก็ตื่นขึ้นมาใหม่ที่ตื่นแบบแบบได้ร่างกายอันใหม่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนถ่ายร่างกายร่างกายอันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้ว ก็เลยต้องให้มันตายไปเพื่อที่เราจะได้ไปได้ร่างกายอันใหม่มาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่กลัวตายเพราะเป็นเหมือนกับการนอนหลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าร่างกายอันเก่าร่างกายอันเก่ามีแต่โรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความชราพอมาเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แข็งแรงสมบูรณ์ เวลาเป็นเด็กนี่มีแต่เจริญเติบโตฮนะทำอะไรก็ทำได้คล่องแคล่วว่องไวแเวลาแก่แล้วนี่จะขยับแข่งขยับขาแต่ละทีแล้ ว, ม, ม, ม, ลวมันเมื่อยมันปวดมันเจ็บไปหมดถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่กลัวตายก็ได้ถ้าเรารู้ว่าความตายเป็นการเหมือนนอนหลับชั่วคราวเพื่อไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ พอตื่นขึ้นอมาใหม่ก็เหมือนกับได้ร่างกายอันใหม่ก็เหมือนกับเวลาที่เราไปผ่าตัดเนี่ยไปเปลี่ยนหัวใจไปเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตก็เหมือนกับการเหมือนกับที่เรานอนหลับเรื่องตอนที่เราตายไปเพียงแต่ว่าเรายังตื่นขึ้นมายังมีร่างกายอันเก่าอยู่แต่มีปอดอันใหม่แล้วมีหัวใจอันใหม่ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราตายก็เหมือนกับเราไปเปลี่ยนทั้งร่างกายเลยอาจารย์นะ เปลี่ยนทั้งร่างกายเปลี่ยนทั้งสัญชาติเปลี่ยนทั้งอะไระร่างกายใหม่อาจจะกลายเป็นญี่ปุ่นก็ได้อาจจะกลายเป็นแข่ก็ได้อาจจะกลายเป็นแอฟริกาก็ได้เองแต่เราเลือกไม่ได้นันงแต่เลือกไม่เลือกพอได้มาเราก็ยินดีกันทุกคนะั้งคนที่ได้ร่างกายแอฟริกาว่ามันอยากจะอยากจะเปลี่ยนใหม่ไหมอยากจะทิ้งไหมมันก็ไม่อยากมันก็รักร่างกายอันใหม่ของมัน ร่างกายมันจะเป็นชาติไหนมันก็รักกันทุกคนพอได้มาแล้วดังนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้ไม่กลัวตายยอมตายกันอยอมตายเพียงแต่คิดว่าความตายก็เป็นการนอนหลับไปนั่นเองเวลาเราไม่สบายมากๆเราใกล้าตายเราจะทำนัแล้วก็นอนไปตามใจเรารู้ว่าเป็นการผ่าตัดเหมือนเวลาที่เราไปผ่าตัดหมอก็บอกเดี๋ยวดมยาสลบนะ เราก็ปล่อยก็ดมยาสลบพอเราสลบไปเราก็ไม่รู้เรื่องแนละ้วพอฟื้นขึ้นมาก็ได้ร่างกายใหม่อนะันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าสอนให้พวกเราพิจารณาเพื่อเราจะได้ไม่กลัวตายกันแล้วเราจะไม่ทุกข์กันความกลัวตายนี่มันทำให้เราทุกข์นะทุกความนี้ที่ทุกข์กันก็เพราะเรื่องของความตายนะ ความตายนี้ไม่มีใครอยากจะพูดถึงเลยเพราะคิดว่าถ้าไม่พูดถึงแล้วมันจะไม่มาอย่างนั้นจะพูดถึงมันหรือไม่พูดถึงมันมันจะต้องมาถ้าไม่พูดถึงมันมันก็จะไม่รู้จักวิธีต้อนรับมันเวลามันมาแต่ถ้าพูดถึงมันคิดถึงมันเราก็จะได้ศึกษาวิธีต้อนรับมันศึกษาวิธีอยู่กับมันเวลามันมาแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างสบาย เพราะถ้าเราไม่กลัวตายแล้วตอนที่เรายังไม่ตายเราก็ไม่เราก็ไม่มีความวิตกกังวลตอนที่เราจะตายเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเรากําลังไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ร่างกายอันเก่ามันหมดสภาพแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเบียเดเบียนหัวใจก็ไม่ดีปอดก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีต้องไปล้างไตยอยู่เรื่อยอย่างนี้ช่วไปเอาตายอันใหม่เปลี่ยนซะ เปลี่ยนร่างกายอันใหม่ทั้งร่างไม่ดีกว่านให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับชีวิตของเราทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันเพราะว่าเรากลัวตายกันพอไาเราตายนี้เราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปแต่เราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการสูญเสียเพื่อได้สิ่งที่ดีกว่านี้ก็ได้เสียสิ่งนี้ไปเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่ อาจจะได้ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ขณะนี้ก็ได้แล้วก็มีวิธีทำให้เราได้สิ่งที่ดีกว่าจากสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำบุญยิ่งทำบุญมากเท่าไหร่ชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่จะได้สิ่งที่ดีกว่าเก่ารูปร่างหน้าตาก็จะสวยงามกว่าเก่าผิวพรรณทองใสกว่าเก่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเก่าการเงินการทองก็จะดีกว่าเก่า อันนี้เราเปลี่ยนได้เวลาเราไปเปลี่ยนร่างกายถ้าเราอยากจะได้ร่างกายที่ดีและมีสถานภาพที่ดีเราต้องมาสร้างบุญบรารมีกันทําบุญทําทานสร้างความเมตตาคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครอย่าไปจองลังจองผานจองเวรจองกรรมกับใครนะ ใครเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจก็สาธุกไปให้อภัยไปเรื่องมันก็จะจบถ้าไปโกรธไปเกลียดไปพยาบาทก็เดี๋ยวก็ไปด่าเขาไปว่าเขาเขาก็จะกลับมาโกรธมาเกลียดเราอีกเลยกลายเป็นศัตรูอากลายเป็น ส, าานสงครามขึ้นมาอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปก็ตายกลับมาเกิดใหม่ก็เกิดไม่ดีก็ลับมาเกิดใหม่ก็มาเป็นยักษ์เป็นมาร มีหน้าตาที่ไม่สวยงามคนที่โกรธนี่ดูหน้าตาก็สวยงามไหมเวลาคนโกรธเนี่ยหน้าบึง้งตึงใช่ไหมนั่นแหละแต่คนที่ไม่โกรธเนี่ยคนที่มีความเมตตาเนี่ยหน้าเหมือนนางฟ้าไหมยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแหละชาติหน้าถ้าอยากไม่อยากเป็นยักษ์เป็นมาร ก, ก็อย่าจองเวรจองกรรมกันอย่าอาฆาตทยาบาทกันให้อาภัยกันให้ความเมตตาต่อกัน ช่วยเหลือกันดูแลกันแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกันรสชาติน้ากลับมาเกิดจะจะเป็นได้รูปร่างหน้าตาที่น่ารักน่าดูน่าชมใปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบคนที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้เรามาสร้างบุญกันดีกว่ามาเตรียมตัวเปลี่ยนร่างกายกันเปลี่ยนสถานภาพ ใหม่ให้มันดีขึ้นเงินที่เราทำบุญนี่ก็เป็นเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารของชาติหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเกิดชาติหน้าเราก็ไปเบิกได้ไปไปเป็นลูกคนรวยมาเกิดเป็นลูกคนรวยไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากพ่อแม่มีเงินทองเยอะแยะทิ้งเงินทองพ่อแม่ตายก็ทิ้งเงินทองไม่ให้ใช้เยอะแยะ ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องต้องเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนภพใหม่ชาติใหม่เราควรที่จะทําบุญกันให้มากๆทํ า, าบุญทําทานรักษาศีลอย่าเบียดเบียนกันอย่าไปทําร้ายกันแล้วพบหน้าชาติหน้าเราจะมีชีวิตที่ดีกว่าพบนี้ชาตินี้แล้วขณะที่เราอยู่เราก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวกับความตาย เราพร้มที่จะตายเพราะเรารู้ว่าเป็นการเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนพบที่ดีกว่าเก่าทำไมไม่เปลี่ยนกันถ้ามันพบนี้มันมีปัญหามากถ้ามันอยากจะตายก็ปล่อยมันตายไปแตงแต่ว่าอยากไปฆ่ามันเทน่านั้นเองการฆ่านี้แม้ว่าจะฆ่าคนอื่นแ ล, แล้วฆ่าเรานี่ก็เป็นบาปเหมือนกันทําให้ใจเราไม่ดีเหมือนกันเพราะคนที่จะฆ่านี้ต้องมีความโหดร้ายทารุณถึงจะฆ่าได้ ถึแม้น่างกายเราที่เราฆ่าเราก็โหดร้ายเราเกลียดมันเราถึงต้องฆ่ามันใช่ไหมถ้าเราไม่เกลียดมันเราไม่ฆ่ามันหรอกเราเกลียดมันเพราะอะไรบางทีเห็นว่ามันพิกลพิการไม่ชอบมันละเป็นอมตพึ่งอมภาดอยู่ไปก็หาประโยชน์จากมันไม่ได้ก็เลยเกลียดมันก็เลยอยากจะฆ่ามันแต่แต่ถ้ามันแข็งแรงสมบูรณ์นี่อยากจะฆ่ามันไหม ไม่อยากใช่ไหมเพราะเราลักมันใช่ไหมพะมันให้ประโยชน์กับเราได้พออะไรมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราแล้วเป็นภาระกับเราเราก็จะเกลียดมันขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอืน่นพอร่างกายของคนอื่นมาทําให้เราเป็นภาระทําให้เราเสียประโยชน์บางทีเราก็เกลียดเขาละโกรธเขาละอยากจะฆ่าเ ข, ขาละไม่ว่าจะจะฆ่าตัวเราเองหรือฆ่าผู้อื่นก็เป็นบาป มันจะทำให้ใจเราเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นเาะไม่มีความเมตตางั้นเราก็ฆ่าตัวเองไม่ได้เพียงแต่เราทำความเข้าใจว่าว่าถึงเวลามันตายไปเองเราไม่ต้องไปฆ่าแล้วเวลาตายไปถ้าเราทำบุญเรามีความเมตตาเราจะได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเก่าด้สถานภาพที่ดีกว่าเก่ามีชีวิตที่ดีกว่าเก่า ถ้าเราคิดอย่างนี้ความตายก็จะไม่มีปัญหาอะไรไปนะความตายก็เป็นเพียงขั้นบันไดหรือเป็นฉากเท่านั้นเองเราเปลี่ยนฉากเปลี่ยนชีวิตใหม่บางทีเราก็อยากจะย้ายที่อยู่ใช่ไหมอยากจะหนีพ้นจากที่นี่ไปไปเตินชีวิตใหม่เนี่ยบางคนก็ย้ายไปอยู่อเมริกาอยู่ที่นี่แล้วมันเบื่อกับคนซ้ำๆ ซ, กๆซากๆเรื่องซ้ำๆซากๆก็เลยยกย้ายไปอยู่อเมริกาไปเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปเปลี่ยนฉากใหม่ ความตายก็เป็นการเปลี่ยนฉากใหม่แล้วเราสามารถเตรียมฉากใหม่ให้ดีกว่าเก่าได้ถ้าเราทําตามที่พระเจ้าสอนให้มีความเมตตาให้มีการแบ่งปันมีการเสียสละทําบุญทําทานช่วยเหลือกันนะกันไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นถ้าเราทําอย่างนี้ได้ เวลาเราเปลี่ยนฉากใหม่เราจะได้ฉากที่ดีกว่าเก่าเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเก่าแล้วมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆดีมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกฉากให้เราเพราะพอพ อ, พอชาติหน้าเรามาเปลี่ยนเราก็ทําเพิ่มขึ้นอีกทําบุญเพิ่มขึ้นอีกสร้างความเมตตาให้มากขึ้นอีกักษาศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้นอีกเดี๋ยวชา ต, ติต่อไปก็จะดีขึ้นกว่าเก่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เปลี่ยนฉากอย่างนี้มาจนในที่สุดก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะ เป็นพระราชกุมานแล้วก็ได้ออกบวชแล้วก็ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายุติการเปลี่ยนฉากพอได้เป็นพระพุทธเจ้าก็รู้ว่ากำลังหนุงเล่นละครเลยเลิกเล่นละครหยุดเล่นละครหยุดเปลี่ยนฉากไม่เอาฉากใหม่พอฉากเก่านี้จบก็เลิกกันนี่คือพระพุทธเจ้า ผลที่เกิดจากที่ท่านทำความดีทำบุญมาแต่ละภพแต่ละชาติจึงทำให้ในที่สุดท่านก็ได้พบกับความจริงเห็นสัตว์จะทำความจริงว่าโลกนี้เป็นโรงละครเรากำลังเล่นละครกันอยู่ของต่างๆที่เรามีเราได้นี่มันเป็นเหมือนของที่เราได้จากในโรงละครเราเคยไปเล่นละครไหยเห็นตัวละครไหเวลาก็เล่นโเขาก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินบ้างเป็นมหาเศรษฐีบ้าง แต่พอเวลาละครจบแล้วก็ไปเป็นอะไรก็เป็นคนธรรมดาสามัญของต่างๆที่เขาเล่นอยู่ในโรงละครเข า, เาติดตัวไปไม่ได้เลยเป็นของโรงละครชีวิตของเราก็อย่างนี้เรามาเกิดเราก็มาเล่นละครเดี๋ยวเราตายไปเราก็ออกจากโรงละครแล้วก็ไปเปลี่ยนโรงใหม่เปลี่ยนฉากใหม่ไปเล่นบทใหม่ต่ออยู่ที่ผู้กำกับคือกรรมของเรากรรมนี่แหละเป็นผู้กำกับ บทบาปของเราในอนาคตว่าเราจะเล่นบทดีหรือจะเล่นบทไม่ดีถ้าทำบาปทำกรรมก็จะไปเล่นบทไม่ดีเป็นผู้ร้ายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นขอทานแต่ถ้าทาบุญทาความดีก็จะไปเล่นบทที่ดีต่อไปในชาติหน้าแล้วถ้าได้ศึกษาความจริงได้รู้ความจริงว่าชีวิตนี้เป็นโรงละคร การเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนลงละครไม่ใช่เป็นของจริงความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่เราได้จาก ล, ละครก็เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอปิดฉากก็จบไปต้องไปหา ล, ละครหาฉากใหม่เล่นหาความสุขใหม่ต่อเวลาปิดฉากทีก็ต้องเจอกับความทุกข์เวลาร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายมันก็ทุกข์กัน สู้อย่ามาเล่นละครดีกว่าซู้เป็นคนดูดีกว่าอยู่เฉยเฉยดูคนเหนื่อยเขาเล่นเราอย่าไปเล่นแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยนี่คือเรื่องของอคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ยินคําสอนเราจะไม่เข้าใจชีวิตของเราว่าเป็นอะไรกันน ะ, ะเราก็จะลองคิดว่าเราเป็นร่างกาย แล้วเราจะรักจะห่วงร่างกายจะทุกกับการคอยดูแลรักษาร่างกายไปจนวันตายแต่พอเรามาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวละครที่เรามาเป็นหุ่นที่เรามาจับมาเชิดเอามาเล่นบทต่างๆชีวิตของเราในชาตินี้พบนี้ก็เป็นเป็นโรงละครฉากหนึ่งเท่านั้นเองแตเดี๋ยวเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเล่นบทใหม่ต่อ ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็อย่างน้อยเวลาเราตายไปเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราเราเรู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาเราอยู่เราก็ไม่กังวลกับร่างกายมากจนเกินไป <c oughs> แต่ถ้าเรายังหลงเรายังจะอยากได้ร่างกายใหม่เราก็ยังจะต้องมาหวงมาหวงร่างกายต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายเป็นแค่ตัวละครเป็นการเล่นละครความสุขที่เราได้จากการเล่นละครนี้ สู้กับความสุขที่เกิดจากการไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นละครอยู่เฉยดูละครดีกว่าเล่นละครพระพุทธเจ้าเปลี่ยนบทจากการเล่นมาเป็นผู้ดูดูเฉยๆดูคนอื่นเล่นตัวพระพุทธเจ้าพระาหลานนี่ท่านไม่เล่นแล้วท่านเลิกเล่นท่านไม่มีร่างกายท่าจะต้องมาเล่นละครท่านก็อยู่กับความสงบอยู่กับความสบายพวกเราก็สามารถทําอย่างนั้นได้ สักวันหนึ่งถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะสามารถเห็นความจริงได้เห็นว่าการมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องมาทำงานทำการหาเงินหาทองมาดับความเบื่อหน่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ดับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดแล้วก็ต้องมาเจอความ แ, แก่เจอความเจ็บเจอความตาย ก็อาจจะเกิดความเบื่อไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ได้ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็จะรู้ว่าวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดก็คือต้องไปหยุดความอยากต้องไปอยู่แบบพระไปบวชพวกพอไปบวชนี่เขาไปไปหยุดความอยากกันตัดความอยากกันพอไปบวชได้ไปตัดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไป เพราะการเกิดนี้มันต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงเลี้ยงท้องปากกัดตีนถีบทุกวันนี้เราทุกข์กับการหากินนะต้องคอยทุกข์กับการหากินมาที่นี่ก็ต้องมาขายขายของกันเพื่อจะได้มีรายได้ถ้าขายไม่ออกก็ทุกข์กันอีก แต่ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายให้เหนื่อยยากไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายดันั้นก็ขอให้พยานยศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยพยานยอยู่ใกล้ธรรมะแทนที่จะไปอ่านหนังสือแฟชั่นอ่านหนังสือท่องเที่ยวม า, านหนังสือธรรมะดีกว่า อ, อ, อ่านหนังสือแฟชั่นหนังสือท่องเที่ยวมันทาให้เรางโง่ ทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ทําให้เราเบื่อหน่ายกับการเวียนว่ายตายเกิดทําให้เราอยากกลับมาอยากไปเที่ยวอยากมีนูน่นมีนี่พอมีความอยากแล้ว เ, เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มันไม่เบร่างกายมันก็อยากจะมีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มาเที่ยวใหม่มาทํานู่นทํานี่ใหม่แต่ถ้าอ่านหนังสือธรรมะแล้วมันก็จะมีอะไรเตือนใจว่าเรากําลังหาความทุกข์กันนะ การมาเกิดนี่เป็นการมาหาความทุกข์กันการไม่เกิดนี่แหละเป็นการดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจโดยการทําความดีต่างๆโดยการศึกษาปฏิบัติธรรมไปถ้ายังอยากจะกลับมาเกิดก็ให้กลับมาเกิดดีก็คือหมั่นทำบุญหมั่นรักษาศีลหมั่นทําความดีละการกระทําความชั่วทั้งหลายละการเบียดเบียนละการ สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อย่างน้อยถ้าอะไรยังต้องกลับมาเกิดเราก็จะกลับมาเกิดดีมีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเกา่ามีเงินทองที่มากกว่าเกา่ามีความสุขมากกว่าเก่าถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวถ้าเรายังเลิกไม่ได้ยังเลิกความอยากไม่ได้ก็ขอให้ขอให้ทำความดีไว้แล้วเวลากลับมาเกิดจะได้ ได้พพชาติที่ดีถ้าไปทำบาปทำกรรมกลับมาเกิดมันจะได้พพชาติที่ไม่ดีเนี่ยคนที่มาเกิดในโลกนี้มาจากสองที่มาจากดีกับมาจากไม่ดีพวกดีก็จะเป็นอย่างหนึ่งพวกไม่ดีก็จะไปอีกอย่างพวกที่ไปทำความชื่อก็กลับมาเกิดก็จะติดนิสัยทำความชื่อต่อไปพวกที่ทำความดีกลับมาเกิดก็จะติดนิสัยทำความดีต่อไป แล้วคนดีกับคนเชื่อเนี่ยใครใครดีใครสุขกว่ากันใครดีกว่ากันคนเชื่อมากๆก็ต้องไปติดคุกติดตารางนะหรือไม่ก็ต้องหนีหนีออกจากประเทศไปอยู่ไม่ได้แต่ถ้าคนทําความดีก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปหนีออกจากนอกประเทศอันก็พระเจ้าก็เลยสอนว่ามีสองระดับถ้ายังจะยังอยากจะเวียนว่ายตายเกิดเกิดก็ให้ทําบุญละบาปไปเรื่อย ถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ให้ตัดความอยากชำละใจให้สะอาดคำจัดความอยากต่างๆคำจัดความโลภกดหลงต่างๆวิธีจะดคำจัดก็ต้องไปบวชไปถือศีลแปดไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาถึงจะสามารถชำละความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าชำละได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป อา้วะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลวาหาปุราปาริลุกโรเนเติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกา ป, กปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพโรนตุสังกปา จันโทปันะอาลาสยตาเมณิโชติอาะาสยตาสัพพิทิโยวิวะยันตุสัพพะโลกวินัสสัตุมัเตภาวะตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภาวะอภิวาธนสีลิสะณิจังวุฒาปจายโน จตารโหธมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางังคำถามจากคุณเปาค่ะซื้อนกซื้อปลาหน้าวัดยานไปนเพื่อปล่อยควรทำหรือไม่ได้บุญหรือไม่คะอะ่ถ้าเราเป็นนกเป็นปลา แล้วเขาเขาเปล่อยเราให้ไปอยู่อย่างอิสระภาพนี่เราดิเราจะดีใจหรือเสียใจอนอกจากนกที่มันถูกเลี้ยงจ น, นมันชินกับเจ้าของมันอาจจะไม่อยากไปก็ได้เพราะว่านกพวกนี้บางทีเจ้าของเลี้ยงให้มันติดอาหารที่เจ้าของเลี้ยงส่ยาเสพติดเข้าไปพอปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันก็บินกลับมาหาเจ้าขององีอันนี้ก็เป็นเรื่องของของคนขาย แต่เรื่องของเราถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่าเราได้ซื้ อ, อสารภาพให้กับนกไปแล้ถ่ายชีวิตของเขาไปถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ได้บุญแต่ความจริงมันจะมันจะกลับมาหาเจ้าของอีกหรือไม่ก็มันก็เรื่องของมันคาถามจากคุสิวิติค่ะนั่งสมาธิการรู้สึกขี้เกียจจะแก้ยังไงดีครับก็ลุกขึ้นมาเดินเลย ก็มาเดินจงกรมนั่งแล้วขี้เกียจก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจนกระทั่งมันเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่คำถามจากคุณพรทินนท์นท่านอาจารย์คะคนที่ใส่ใจในสุขภาพมากๆเช่นไปล้างศับเป็นคนที่กลัวตายใช่ไหมคะทั้งๆ ท, ท, ที่บวชมาแล้วแต่ทําไมคิดไม่เป็นอย่างนี้ค ะ, า อ, คะอาจารย์สอนคะเพราะเวลาบวชไม่ได้คิดไม่ได้เรียนไง ไปละบวชัวแตไปสวดมนต์ไ่รับกลิ่นนิมนต์ต่างๆไปรับสังฆทานก็จะไปคิดแต่เรื่องเหล่านี้ก็เลยไม่ได้มาสนใจที่จะมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมก็เลยไม่รู้ความจริงกัน ถ้าเรารู้สึกเบื่อหน่ายทั้งโลกอยากมีเวลาปฏิบัติธรรมให้มากเราต้องทิ้งการงานทั้งโลกหรือลดการงานลงถือว่าเราเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนหรือเปล่าคะเกินมาแล้วนะที่เรามีแล้วเราก็ต้องดูแลไปสิภาระหน้าที่ของเรามันก็แค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ใช่เลยไม่ใช่ไปเลี้ยงกิเลสปัญหาส่วนใหญ่เราไปทําภาระหน้าที่ที่ไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของเราคือไปเลี้ยงความอยาก อยากได้อะไรก็ไปก็ไปทตาตามความอยากอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเรามีเพียงแต่เลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขแล้วถ้ามีคนอื่นที่เรารับผิดชอบต้องเลี้ยงดูเราก็เลี้ยงดูไปเช่นพ่อแม่หรือบุตรธิดาภรรยาสามีก็เท่านั้นเองการเลี้ยงดูร่างกายมันก็ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมีมไรายได้ขั้นต่ามันก็เลี้ยงได้แล เรารู้จักใช้อย่างประหยัดถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือยกินอาหารที่มันไม่ไม่แพ ง, ม, แงมันก็กินอิ่มเหมือนกันมันก็จะทําให้เราไม่ต้องทํางานมากมันก็จะทําให้เรามีเวลามาปฏิบัติทําได้ถึงแม้ตอนนี้คุณทํางานคุณก็มีวันหยุดไม่ใช่นะวันหยุดทำไมก็ไม่เอาวันหยุดมานะมาปฏิบัติทําคุณก็เอาวันหยุดไปเที่ยวไปทําตามความอยากกัน แล้วพอจะมาปฏิบัติธรรมก็ถูกกิเลสมันบอกว่าไหวปะละทิ้งหน้าที่ต่างๆไม่ได้ละทิ้งคุณก็มีหน้าที่อะไรก็ทําไปก่อนสิเรามานั่งจัดสรรดูว่าอันไหนจําเป็นต้องทําหรือไม่จําเป็นอันไหนไม่จําเป็นก็ตัดมันไปอันไหนเป็นของฟุ่งเฟือยอันไหนเป็นของที่ไร้สาระอะไรที่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาก็ค่อยตัดตัดมันไปเอาแต่เรื่องที่มันเป็นหน้าที่จริงๆเนื้อๆจริงๆ คนนี้ก็จะได้รู้ว่ามันมีไม่มากเลยแล้วคุณจะรู้ว่ามีเวลาเหลือเฟือที่จะไปปฏิบัติธรรมแต่คุณก็ เ, เวลาว่างของคุณไปเที่ยวกันเอีแหละพอวันว่างก็ไม่เคยคิดถึงอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปเที่ยวยิ่งไปเห็นก็โฆษณามีแพ็กเกจต่างๆเดี๋ยวก็อดไม่ได้ทำนีรถราคาพิเศษโปรโมชั่นไปเที่ยวเกาหลีเท่าไหร่นะสองหมื่นนะ สามหมื่นกว่านะเลยก็ไปแนละ้วพ อ, อใช้เงินอย่างนี้มันก็จะไม่มันก็ต้องไปหางานไปหาเงินไปทำงานพอลดการทำงานก็หาว่าป่วยปากละเลยหน้าที่มันไม่ใช่ออหน้าที่ของคุณมีแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านีน้ของคุณและของคนที่คุณรับผิดชอบอยู่แท่้ น, นอง แล้วถ่ายกลับมาแล้วจะเริ่มพิจารณาครับอ๋อการพิจารณาปัญญานี้พิจารณาได้ตั้งแสนตอนนี้เลยไม่ต้องเข้าไปในสมาธิตอนพิจารณาปัญญาต้องใช้ความคิดไม่ต้องอยู่ในอัปปนาเวลาอยู่ในอัปปนาคิดไม่ได้การที่เราต้องมีอัปปนาเพราะว่าถ้าไม่มีอัปปนาจิตมันจะวอกแวกจิตมันจะถูกกิเลสมึงไปคิดเรื่องกิเลสมันจะไม่ยาวคิดทางรรม เราจึงต้องทำใจให้มีอัปปนาก่อนพอใจมีอัปปนาใจมันอิ่มมันจะไม่หิวกับอารมณ์ของกิเลสเราก็สามารถเดึงให้มันมาคิดทางปัญญาได้แล้วพอบอกให้หยุดเราก็จะหยุดกิเลสได้แต่ถ้าเราไม่มีอัปปน า, าเราจะไม่มีกำลังหยุดกิเลสไม่มีกำลังที่จะมาคิดทางธรรมะเฉนั้นเราต้องฝึกสมาธิให้มันเข้าไปในอัปปนา แล้วพอมันอยู่ใน อ, อปปนาก็ต้องให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆนานๆอย่าไปดึงออกมาพิจารณาให้มันถอนออกมาเองนั่งนานๆให้สงบนานๆแล้วพอมันถอนออกมาเองก็เอามาคิดทางปัญญาคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่าอย่าไปอยากได้อยากแล้วทุกข์ข้ อ, อที่สองค่ะการเดินตรง แล้วพิกรรณานปัญญาไปด้วยเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่และในกรณีที่ความคิดเกิดขึ้นเองควรควบคุมหรือติดตามไปจนหมดไปครับก็อยู่ที่ว่าเรากำลังอยู่ขั้นไหนถ้าเราอยู่ขั้นฝึกสติเราก็ไม่ต้องการคิดเราต้องการให้มันรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แต่ถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาเราก็ต้องเราก็คิดได้แต่ต้องคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางไตรลักษณ์ ฟังนาและฟังซีดีธรรมะของครูบาอาจารย์รู้สึกว่าจะสงบรวบรวมเป็นสมาธิอยู่ข้างกลอกรู้สึกมันหดตัวเข้ามาแล้วเสียงคำที่ฟังอยู่ก็ได้ยินแต่ไม่สามารถรู้ความหมายได้เพราะติดสงบยึดก่อยเสียงนั้น <c oughs> ใช่หรือไม่ควรจะทําอย่างไรต่อคะเพราะหลังจากออกจากสมาธิเดินกลับที่พับแล้วแทนที่ใจจะเบิก บ, บานกลับง่วงหาวหางนอนคะ่ะก็ออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณา ใจลับพิจารณาร่างกายร่างกายนี้ไม่เที่ยงคุลทุกขไม่ใช่ของเราร่างกายไม่สวยงามมีอาการ32นอกจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วยังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีผังผืดมีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารใหม่อาหารเก่ามีเยื่อในสมองศีรษะ มีน้ําต่างๆน้ำดีน้ำเสเลน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหนือน้ํามันข้นน้ําตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ําไขข้อน้ํามูดเนี่ยให้พิจารณาร่างกายอย่างนี้ไปแล้วมันจะมันจะไม่เหงามันจะไม่ง่วงเหงาเหงานอนแล้วมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นร่างกายอีกมุมหนึ่งเมื่อก่อนเห็นแต่ซัวเห็นแต่ส่วนที่สวยงามน่าดูออกมาพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามก็เลยเห็นว่าโอ้ร่างกายนี้มันมีอะไรอีกต้องเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นกัน มันก็จะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาหายหลงหายรักร่างกายหายลหลงไหลที่ว่าร่างกายนี้สวยงามสวยแต่เฉพาะข้างนอกเหมือนกระเป๋าเนี่ยสวยข้างนอกเราตรวจเข้าไปข้างในมีแต่ขยะมีกขยะให้คนอื่นดูกระเป๋าเราไหม <c oughs> มันมีขยะให้หนำดูมันมีใครเราไม่อยากยให้มีใครเข้า ข, ขอดูกระเป๋าเราไม่มีเย เขาะก่อนรูว่าไม่มีอะไรน่าดูข้างในเลยคำถามจากคุณสายทานเมื่อก่อนหนูนั่งภาวนาได้เต็มที่ก็ชั่วโมง40นาทีตอนนี้หนูนั่งภาวนายาวเกือบ4ชั่วโมงแคบทุกวันบางวันหนูก็คิดว่าแป๊บเดียวก็2ชั่วโมงขึ้นไปสภาวะของหนูคือหนูมีสติกับพุตโทรหรือหายไปกลับมาหนูก็พุทโธต่อเจ้าค่ะ บางทีหนูพิจารณาไตรักบางทีอริยสัจสบางทีพิจารณากายไม่เหมือนกันสักวันเจ้าค่ะหนูรู้สึกเหมือนหนูนั่งอยู่ในยานอวกาศพลังสมาธิเหมือนแม่เหล็กรูปว่าบอกไม่ถูกเจ้าค่ะหนูควรทำยังไงตอบครับนั่งภาวนาไปแบบนี้ทุกวันหรือว่าอย่างไงครับก็เอาธรรมะที่เราได้จากการปฏิบัตินี้ไปลดละความอยากต่างๆ ถ้าเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องลดละมันถ้าเรายังมีความอยากในลาบยศสรรเสริญก็ต้องลดมันละมันถ้าเรายังมีความอยากกับคนนั้นคนนี้อยู่เราก็ต้องตัดมันต้องตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปธรรมะที่เราพิจารณาที่เกิดจากการฝึกนั่งสมาธิมันเป็นเครื่องมือจะไม่ได้เป็นผลที่เราผลสุดท้าย ผลสุดท้ายที่เราต้องการก็คือการเลิกความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเราจะเลิกได้เราก็ต้องมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องมือดนัาการที่เรานั่งสมาธิการที่เราพิจารณาปัญญานี้เป็นการสร้างเครื่องมือขึ้นมายังไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการที่แท้จริงผลที่เราต้องการก็คือเราต้องการมากำจัดความโลภความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจให้เราอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่มีอะไร อยู่แบบขอทานได้พระพุทธเจ้าเคยเป็นพระเจ้าลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วกลับมาอยู่แบบขอทานมีใครอยู่แบบนั้นได้พวกเราอยู่ได้เนี่ตอนนี้ให้ไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบแม่ชีอยู่แบบผ้ากันต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาถึงจะสามารถอยู่ได้จริงๆพวกที่เขาอยู่กันตอนนี้เขาไม่ได้อยู่แบบผ้าแบบชีจริงๆเขาอยู่แบบเป็นการเล่นละครมากกว่า เขาอ า, อาจจะทําเพราะเขามีศรัทธาความเชื่อเขาก็เลยทําไปแต่ความอยากเขาก็ยังมีอยู่อย่างาเป็นแม่ชีบางทีกระเป๋ายังเป็นโรซาเซ่ยอยู่ก็มีกระเป๋ายังเป็นชาแนลอยู่ก็มีผ้าก็ต้งเป็นผ้าไหมผ้าอะไรแม่ชีบางคนแม่ชีไอโซเนี่ยมาบวชทีแต่ไม่ได้มาละความอยากยังอยากอยู่เหมือนเดิม อยากสวยอยากงามอยากเด่นอยากดังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ยังไม่ได้บวชจริงแต่บวชจริงนี่ต้องใช้ผ้าห่อศพผ้าบางสกุลนี้เรียกว่าผ้าห่อศพสมัยพุทธกาลนี่พวกมีคนก็ถอยผ้าให้พระเพราะไม่มีผ้าบวชกันมากสมัยก่อนไม่มีใครรู้ว่าพระใช้ผ้าอะไรกันพ้าก็เลยต้องไปหาผ้าสมัยก่อนที่ศพก็ไม่เผาก็ไม่ฝังเอาผ้าห่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้มัน ผูพังไปพอศพผูพังไปผ้ามันยังใช้ได้อยู่พวกนักบวชก็เลยเก็บผ้าพวกนี้มาทำเป็นจีวรกันเนี่ยแหละผ้าของของขอทานจริงๆพระพุทธเจ้าสมัยที่พระเจ้าปฏิบัติก็ใช้ผ้าแบบนี้ผ้าบางสกุลต้องอยู่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าละลดละกิเลสจริงๆไม่ใช่มาบวชเป็นผ้าแล้วก็มีรถเบ้นนั่งเห็นไนหะ อย่างนี้พระไปไหนนี่เป็นท่ามีมียศมีตาแหน่งนี้มีรถเบนซ์มีรถเก๋งมีรถตรํารวจนําทิศนำทางหรืออะไซ้ําไปเป็นสังฆโลกสังฆราชขึ้นมาเห็นไหมอันนี้มันไม่ได้มาบวชเพื่อรับลาบยศสารเสริญมันมาบวชเพื่อมาลาบมามาหาราบยศสารเสริญกันอย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการบวชจริงๆัเป็ น, นการบวชเล่นๆนครับ ถ้าบวชจริงๆแล้วต้องมาลดละลาบยศสารเสริญลดละความสุขทางตาหหยจมูกนิ้วกายกุฏิพระบางสมัยนี้บางทีสบายกว่ากุฏิของโยมใส่บาสิ่โยมใส่บาทเป็นขอเป็นคนหาเช้ากินข้ามอยู่ห้องแถวแต่พระนี่อยู่ห้องแบบมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์มีอะไรเต็มไปหมดนี่ไม่ได้อยู่เพื่อลดละกิเลสไม่ได้บวชเพื่อลดละกิเลส อยู่เพื่อสะสมดิเลสเอเนถ้ามาบวชเราถ้าเราไม่อกีเพื่อปัญหาเขาถามเรื่องอะไรก็จําไม่ได้นะนะเาถามเรื่องอะไรเมื่อกี้เขาถามว่าเขาัสมาธิแล้วเขพิจารณาเรื่องตาอ่าอ่านั่นแหละใช่นั่งสมาธิพิจาราตายแล้วแล้วก็ต้องไปละละความโลภอยากได้นูน่นอยากได้นี่ถ้าอยากได้กระเป๋าเมือ่อไหร่ก็อย่าไปเอาเงินไปทําบุญแทน จะอยากไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญแทน อ, อ, อย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมละกิเลสบรรลุธรรมต้องบรรลุแบบนี้การบรรลุธรรมนี่บรรลุด้วยการละกิเลสละความโลภความอยากต่างๆไม่ใช่ไปทําตามความอยากต่างๆนั้งสมาธิพิจารณาปัญญาเดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปเที่ยวฮ่องกงก็ไปแนละ้วอะไรเงี้ก็มีสมาธิมีปัญญาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้เอามาใช้ กำจัดกิเลสที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่าตายเกิด <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็ต้องคอยคอยจับกิเลสพอมีกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ยิงมันเลยใช้สมาธิใช้ปัญญายิงมันเลยฆ่ามันเลยพออยากจะได้นู่นได้นี่ก็ฆ่ามันเลยถ้าสิ่งที่เราอยากได้ไม่จำเป็นจะต้องมีก็อย่าไปเอามาอยากจะไปเที่ยวก็ต้องฆ่ามันเลย อยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็ข้ามเลยอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ข้ามันเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมคาถามจากคุณทอปค่ะความรู้ที่เกิดจากการเข้าสมาธิบางครั้งไม่สามารถอธิบายว่าคืออะไรเพียงแต่รู้ว่าเป็นสิ่งที่รู้เช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติหรือไม่อย่างไรครับ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 ถ้าเป็นความรู้อย่างอื่นก็เป็นความรู้ปลอมยังไม่ยังไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่เราได้จากสมาธิก็ว่าโอ้ไม่มีความสุขกันใดในโลกนี้เหนือกว่าความสงบนี่เกิดความรู้ที่เราต้องการความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนัตติสันติปรังสุขขังถ้าคนนั่งสมาถ้านั่งได้ผลจากสมาธิจริงๆมันจะได้คาความรู้วันนี้ที่พระเจ้าสอนว่านติสันติปรังสุขัง สุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่ก็คือความรู้ที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิส่วนความรู้อย่างอื่นก็เป็นความรู้ที่ไม่สำคัญเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของเราอย่าไปสนใจมันรู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเช่นรู้นิมิตรู้อะไรต่างๆก็ปล่อยมันไปช่างมันเห็นอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมามผ่านไปออกมามันผ่านไปก็เหมือนกับฝันไป ความรู้ที่เราเห็นในฝันไปไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งเราต้องการความรู้อันนี้เท่านัน้นรู้ว่าความสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเพื่อเราจะได้เลิกหาความสุขหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เพราะเราจะรู้ว่าไม่มีอริยดีเท่ากับความสุขที่เราได้จากความสงบคำถามจากคุณเปาค่ะผู้ที่จะไปนิพพานจะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้า เวลาหรือไม่คะหรือเฉยๆตลอดเวลาคะหรืออยู่กับความว่างคะก็แล้วแต่ว่าเราอยู่กับความว่างได้หรือเปล่าเฉยได้หรือเปล่าถ้าเรายัางเฉยไม่ได้ยังว่างไม่ได้ยังอยากจะมีแฟนยังอยากไปเที่ยวยังอยากจะทํานู่นทํานี่อยู่เราก็ต้องใช้พุทธโธพุทธโธหยุดมันนั่งสมาธิหยุดมันทาใจให้สงบให้พบกับความสุขพอพอพบกับความสุขใจแนละ้วมันก็จะหยุด อยากได้ต่างสิ่งต่างๆมันก็จะเฉยมันก็จะว่างได้คำถามจากคุณบางโยมนั่งขัดสมาธิไม่ได้เส้นที่เข่าอักเสบคือปฏิบัติอยู่ที่บ้านเดินจงกกมอย่างเดียวได้ไหมคะแล้วก็พุโทโธไปในระหว่างวันเจ้าค่ะนั่งก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขอบเตียงก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่ควรจะนั่งเพราะว่าถ้าไม่นั่งมันจะไม่สงบเหมือนกับเดินเดินไม่มสงบเท่ากับนั่ง เดินมันดีเดินมันช่วยให้เรามีสติไม่ให้ใจลอยให้ใจเราอยู่กับเรื่องเดียวเช่น อ, อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแต่ถ้าเราต้องการให้ใจสงบให้มีความสุขเราต้องนั่งเฉยๆนั่งในท่าไหนก็ได้นั่งห้อยเท้านั่งเก้าอี้ได้นั่งที่ขอบเตียงก็ได้คาถามจากคุณสาดีมีการบริจาครงศพเป็นการทำบุญต่ออายุได้ไหมคะไม่ได้หรอก เป็นการทำบุญเพื่อให้เราได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีขึ้นกว่าร่างกายอันเก่าแต่ร่างกายอันเก่านี้มันมันต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆไม่มีการต่ออายุได้คือถ้ามันถ้ามันจะไม่ตายมันก็ไม่ตายถ้ามันจะตายมันก็ตายถ้ามันถึงอายุไขของมันมันก็ตายจะทำอะไรไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังต่อไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องให้มันตายไป อาจจะยืดได้บ้างสําหรับนักปฏิบัติธรรมถ้ามีพลังจิตเนี่ยพระอุเจ้าบอกกับพระอา น, นุ์ว่าถ้าถ้าเราอยากจะอยู่ต่อเรายังยืดต่อไปได้นิดหน่อยแต่ต้องใช้พลังจิตหรือต้องมีความขยันที่จะดูแลรักษาน่างกายอยู่ให้มากขึ้นต้องเลี้ยงดูมันต้องอะไรมันต้องออกกําลังกายต้องอะไรมันต้องฝือมันบังคับมันออยิ่งแกยิ่งเจ็บคไายได้ป่วยมันก็ไม่อยากจะทําอะไร พอยิ่งไม่ทำอะไรมันก็ยิ่งอ่อนอ่อนแอลงไปเรื่อยๆก็ต้องบังคับให้มันออกกําลังกายให้มันเดินให้มันทํานู่นทำนี่มันต้องใช้พลังจิตถ้าไม่มีพลังจิตมันก็ไม่มีกําลังต้องใช้พลังจิตบังคับให้มันกินให้มันดื่มบางทีมันไม่อยากดื่มเพราะมันไม่มีกําลังไม่มีเรี่ยวแรงแต่คนที่มีพลังจิตยังสามารถที่จะดูแลร่างกายยืดอายุของร่างกายได้ถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะ ถ้าเป็นเรื่องของความชราภาพคนที่มีพลังจิตอย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี่สามารถที่จะยืดอายุของร่างกายให้อยู่ต่อไปได้ถ้าเปรียบกับคนที่เป็นปุตุชนอย่างพวกเรานี่พอร่างกายเราหมดเลี้ยวหมดแรงเราก็ไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะกินอยากจะทําอะไรนะพอไม่ทําไม่อะไรไม่กินไม่ออกกําลังกายมันก็ยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นเสื่อมเร็วแต่ถ้าพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี่ท่านมีพลังจิตท่านสามารถบังคับ ให้สั่งให้ร่างกายกินได้สั่งให้ร่างกายออกกำลังกายต่อไปได้ก็ยังทำให้ร่างกายยืดอายุชีวิตต่อไปได้นี่คือวิธีต่อต่อต่อชีวิตไม่ใช่ไปซื้อลงศพไปลงศพมันไม่ได้จะต่อมันทำให้ใกล้ใกล้ใกล้ตายมากขึ้นเห็นเห็นลงศพแล้วหนูกูตายดีกว่า ถ้าอยู่เป็นเพื่อนกันถือศีลแปเป็นปกติต่างความต่างปฏิบัติไปจะถึงพรุงทำอนาคามีไหมคะหรือต้องแยกกันได้เด็ดขาดคะมันยากไม่ยากก็ไม่สำคัญอย่าไปมีเพศสัมพันธ์กับกันกนแล้วกันถ้าเป็นมีเพศสัมพันธ์ก็ยังมีการมาการมารมอยู่พราอนะาคาเมีนี้กำจัดการมารมได้หมดไปแต่การอยู่ใกล้กันนี้มันจะทาให้เกิดการมารมได้ง่าย เห็นหน้าเห็นตากันนั้นเดี๋ยวมันก็อดไม่ได้เห็นทางที่ดีถ้าอยากจะกําจัดการอารมณ์อยากจะเป็นอนาคามีก็ไปอยู่คนละที่ดีกว่าจะได้ไม่เห็นหน้านี่ขนาดตายไปแล้วยังเห็นกันอยู่นะขนาดคนตายไปแล้วมันยังคิดถึงกันอยู่นั่นนะเราคิดดูขนาดไม่ตายจะเป็นยังไงถ้าไม่ตายเห็นหน้ากันเดี๋ยวก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาอย่างง่ายได้ เห็นถ้าอยากจะกำจัดการอารมณ์อยากจะเป็นผ้านาคามนีก็ต้องแยกกันอยู่ไปอยู่ถือว่าตายจากกันแล้วทำไมต้องมาอยู่ด้วยกันทำไมใชม่อยู่เพื่ออะไรหญิงชายก็อยู่กันเพื่ออะไรก็ว่าอยู่เพื่อกำอารมณ์นั่นแหละถ้าเราต้องการกำจัดการอารมณ์เราก็ต้องแยกกันอยู่ไปเลยตายจากกันไปเลยดีกว่าเหมือนกับย้ายอยู่ไปคนไปอยู่เหมือนคนนึงไปทางานอีกที่นึ่ง ความเมตตาต่างกันยังมีกันได้อยู่ความห่วงใยอะไรส่งไปให้ได้มีข้าวของเงินทองคิดถึงกันก็ส่งไปได้แต่อย่าอยู่ใกล้กันอย่าอยู่เพื่อการาอารมณ์คำถามจากคุณกัญญาลินจะฝึกใจตอนปัจจุบันอย่างไรให้รับมือกับความเสียใจจากความพัดพลาดจากสิ่งที่รักเมื่อมาถึงก็ต้องสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อย เราเตือนใจอยู่เรื่อยซ้อมใจอยู่เรื่อยให้เราคิดว่าของที่เรามีอยู่นี้เป็นเหมือนของที่เรายืมเข้ามาของเรายืมเข้ามาเรารู้ใช่ไมว่าเราต้องคืนครับพอถึงเวลาคืนเราไม่เสียใจเท่าไหร่ถึงแม้จะไม่อยากคืนก็แต่ก็รู้ว่าต้องคืนเราก็ยังคืนเข้าได้เราก็ไม่เสียใจดงนั้นให้เราคิดว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นของที่ยืมมาทั้งนั้นไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องคืนเจ้าของไปถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเตือนใจไม่ให้ลืม พอถึงเวลาเจ้าของมาขอคืนก็อเอาไปสิขางไม่ใช่ของเราเรายืมมาใช้เมื่อถึงเวลาจะต้องคืนก็เอาไปเรื่ร่างกายนี้เราก็ยืมมาจากดินน้ํำลมไฟเดี๋ยวแล้วดินน้ำลมไฟก็ขอคืนขอไปแยกร่างกายนีย้พอร่างกายตายดินน้าลมไฟมันก็แยกออกจากร่างกายไปดินก็อยู่ดินอยู่น้ําออกไปลมออกไปไฟออกไปไปคนละทิศคนละทางกัน มันต้องคิดบ่อยๆคิดว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของดินน้ําลมไฟเป็นของยืมเข้ามาจะต้องคืนเข้าแน่นอนวันใดวันหนึ่งเั้นเตรียมตัวคิดว่าอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้จะได้ไม่จะได้ไม่เสียเสียหลักเกิดเข้ามาทวงวันนี้ปกรับมาทวงคืนนี้เจ็บท้องพวกนี้ไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นที่สามแล้วมันจะได้ไม่เดือดร้อน ถ้ารู้ล่ว ง, งหน้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนหน้าพอมันจะต้องตายมันจะไม่เดือดร้อนคำถังจากคุณสายทานเวลานหนูน้อมถวายบุญจากการภาวนาครูบาอาจารย์ท่านรับรู้หมาเจ้าคะ่ะบางองค์ท่านละสังขารบางองค์ยังอยู่แม้แต่พระอาจารย์สุชาติก็น้อมถวายทุกวันเจ้าคะ่ะทุกองค์ท่านได้รับไหมาเจ้าคะ่ะท่านท่านไม่มารับรู้เรื่องของเราหรอ เรื่องขายเรื่องมันถ้าท่านทราบใ้ก็อาจจะดุโมทนาถ้าท่านรับรู้ก็เพราะว่าท่านอาจจะมีความผูกพันเป็นกรณีพิเศษเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความผูกพันกับแม่ในชะ่แม่ตายไปแล้วก็ยังหาแม่ค้นหาแม่ด้วยพลังจิตแล้วก็ไปพบแม่อยู่ในสวรรค์ก็สามารถติดต่อกับแม่สั่งสอนแม่ได้แต่ถ้าคนเราที่ไม่มีความผูกพันกันไม่คิดถึงกันหรอกใช่ไหม ตัวใครตัวมันนอกจากมีกรณีพิเศษที่มีความผูกพันกันมากๆขวั่งใหญ่กันมากๆ ก, ก็อาจจะคิดถึงกันนะอาจจะติดต่อกันได้ทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าปกติทั่วไปแล้วไม่หรอกไม่มีใครเข้ามาสนใจเรื่องของเราเหรอกท่าถามจากคุณสุวรรณนาท่านทำที่รู้ทุกใจที่เก็บเรื่องไร้สาระมาคิดเหมือนคนมี คนสองคนชักกระเยอะกันจิตที่ดีกับกิเลสก็ที่ฝุ่นมัวในใจจะทำอย่างไรให้จิตฝ่ายดีมีกำลังมากขึ้นมีแต่ความเมตตากับทุกสิ่งที่มากระทบเจ้าคะก็ฝึกสติให้มากขึ้นเวลาคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ใช้สติหยุดมันเวลาคิดไปในทางที่ดีก็ปล่อยมันคิดไปอันนี้เราไม่มีเบรกรถยนต์เวลารถวิ่งออกนอกถนนเราหยุดมันไม่ได้มันก็เลยตกตกครูตกคลองไป แต่ถ้าเรามีเบรความมันจะออกนอกถนนแล้วก็เบรคมันถ้ามันอยู่ในถนนแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปเราต้องมาฝึกสติฝึกพุโทโธพุโทโธหมัดมันท่องพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆพอมันคิดไม่ดีเราก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันพอมันคิดดีก็ปล่อยมันคิดไปต่ อ, อไปเราก็จะมีแต่ความคิดดีๆอยู่ในใจเราคำถามศักด้หวยหากเราอยากลดความยุติธ ต่อลูกและสามีโดนโดยที่เรายังต้องทำหน้าที่เป็นแม่และภรรยาอยู่มีแนวทางอย่างไรเจ้าคะก็คิดว่ายืมเข้ามาไงยืมยืมเข้ามาเป็นสามียืมเข้ามาเป็นลูกเดี๋ยวเจ้าของสามีเจ้าของลูกเข้ามาขอคืนไปตอนนี้เรามีแล้วก็เลี้ยงดูเข้าไปทําหน้าที่ของเราไปแต่พร้อมที่จะคืนเจ้าของไปถึงเวลาเจ้าของสามีเข้ามาขอคืนไปก็ให้เข้าไปถึงเวลา สามเจ้าของลูกก็มาขอคืนไปได้ก็ไปจำไหมสามีก็มาขอคืนไปแล้วเห็นไหอแต่เรายังคิดว่าเป็นของเราอยู่เราไม่ได้คิดว่าเป็นของยืมมาถ้าเราคิดว่าเป็นของยืมมาก็แล้วไปก็จบเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืมของใหม่มาก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอาก็ดีงั้นก็ไปบวชจะคําถามจากคุณชนะนัน เราจะสามารถลดละ ก, กามัคุณต่างๆได้ควรเริ่มพิจารณาทำํำใดดีครับก็มันเป็นของชื่อข่าวไงได้ปุ๊บแล้งก็หมดไปแล้วได้ดูหนังปั๊บเดี๋ยวก็หมดไปล้วได้ฟังเพลงปั๊บมันก็หมดไปละก็ต้องหามาเพิ่มไปบ่อยเรื่อยๆพอไม่เพิ่มก็เหมือนคนติดยาเสพ ต, ติดติดบุหรี่พอสูบบุหรี่ก็มีความสุขพอบุหรี่หมดอยากจะสูบไม่มีบุหรี่สูบที่นี้เดือดร้อนนสิทุกข์นสิ เป็นความสุขชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์ทันทีเวลาที่เราไม่สามารถหามาได้คำ ถ, ถามจากคุณรัชดาพรทำบุญกระถินโอนปัจจัยร่วมบุญค่าอาหารค่าน้าแล้วน้อมจิตอันเชิญผู้ร่วมรับไปรับบุญจะได้รับไหนคะถ้าเขารอรับอยู่ก็ได้ถ้าเขาไม่รอรับเขาก็ไม่ได้เพราะบางทีเขาไม่จาเป็นจะัต้องมารอรับบุญ บุญที่เราส่งไปเป็นเหมือนเงินให้ขอทานเหมาะกับพวกที่ไม่มีบุญเลยพวกที่ตายไปแล้วไม่มีบุญติดตัวไปนี่เขาจะต้องมารอรับส่วนบุญแต่พวกที่เขามีบุญติดตัวไปเขาก็ไปเป็นเทวดากันเขาก็ไปอยู่สวรรค์ไปท่องเที่ยวในสวรรค์เหมือนพวกคนที่มีเงินทองพอจากประเทศเ้าก็ไปท่องเที่ยวพวกที่ไม่มีเงินทองก็ต้องวนเวียนอยู่แถวสนามบินยื <c oughs> <c oughs> นขึ้นกังวล เนี่ยสนามบินก็คือวัดเนี่ยเราถาวัดเนี่ยเรารับสมบูรณ์ของพวกที่เขาครึ่งเครื่องบินกันครับถามจากคุณบอมภาวนาติดอยู่ที่ลมหายใจแน่หน้าอกแก้อย่างไรครับอย่าไปสนใจถ้ามันเป็นเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิถ้าเวลานั่งดูหนังไม่เป็นก็แสดงว่าเป็นเรื่องของกิเลยมาหลอกเราก็อย่าไปสนใจแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไป สักคุณชีวิตกล้ว ย, วยพระเครื่องช่วยให้แค้บพลาดแม่ตาได้จริงหรือคะหรือเพราะผลจากบุญเก่าของคนผู้นั้นที่ช่วยให้รอดพ้นเห็นคนรชอบใส่พระมากมอกพระเครื่องช่วยอะไรไม่ได้หรอกตัวพระเครื่องเองช่วยตัวเองไม่ได้เลย <c oughs> แล้วไปช่วยคนอื่นได้ยังไงพระเนี่ยถูกขโมยมาขโมยบางทีพระมีอยู่ในโบสนถน์เงินของพระอย่างมันยังมาขโมยไปได้เลย ยันพระเครื่องทำนายไม่ได้หรอกพระเครื่องเป็นตุ๊กตาไม่มีอะไรไม่มีความสามารถอะไรพิเศษนอกจากเป็นจุดดึงดูดจิตใ จ, จให้เราคิดถึงความดีเท่า น, นั้นเองเมื่อเราเห็นพระเราจะได้ เ, เลิกถึงพระพุทธเจ้าเราเลิกถึงพระธรรมคำสอนเรานลกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนและได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามเท่านี้เองนี่คือหน้าที่ของพระต่างพระพุทธรูปพระเครื่องต่างๆ ไม่ได้มาปกป้องคุ้มครองรักษาร่างกายเราไม่ได้มาทำให้เราร่ำรวยขึ้นหรืออะไรขึ้นเลยมันไม่เกี่ยวกันขา้าพสารคุณจินดาการถาวายสังฆทานนั้นทาเพื่ออะไรครับและควรทำอย่างไรก็เป็นให้พระได้มีของใช้ไงของกินไงที่จะถวายสังฆทานก็เนี่ยพระขาดอาหารก็เอาอาหารมาถวายพระขาดจีวรก็ซื้อจีวรมาถวาย ขาดสบู่ขาดยาสีฟันขาดแปรงสีฟันกน่ยขาดเครื่องใช้ไม่สอยใจที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเราก็มาให้พระเพราะพระไม่มีอาชีพไงพระไปทำงานเหมือนเราไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ไปหากินให้เอาเวลามาหาธรรมะเพื่อจะได้เอาธรรมะมารักษาใจให้หายทุกข์แล้วหลังจากนั้นจะได้มาสอนญาติโยมเอาธรรมะให้ญาติโยมไปใช้ญาติโยมจะได้หายทุกข์ต่อไป นี่เนี่ยคือหน้าที่ของพระพระเลยไม่มีหน้าที่ไปทํางานหาเงินหาทองเหมือนพวกเราก็เลยต้องอาศัยพวกเราที่มีใจบุญสุนทานที่อยากจะได้บุญก็ไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆมาถวายพระเรียกว่าถวายสังฆทานคำถามจากคุณกอฟพวกกายทิพย์ถือว่าเป็นเทวดาหรือเปล่าครับก็ <era> มีทั้งเทวดามีทั้งขอทานถ้าเป็นเปรกก็เรียกวเป็นขอทาน คนที่ตายไปแล้วถ้าทําบาปมากกว่าบุญก็จะได้กายทิพย์ที่ที่ไม่ดีที่เรียกว่าเปรตหรือไปตกนรกหรือถ้าได้ร่างตายก็ร่างกายของเดรัจฉานแต่พวกที่ทําบุญไม่ทําบาปทําบุญมากกว่าทำบาปตายไปก็ได้ร่างทิพย์ที่เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้า คก็เพิ่งก่อนนะพิ่งได้ยินวันนี้พระเจ้า ก, ก่อนในประเทศไทย <c oughs> บ้าหรือเปล่าแสดงว่าไม่ได้ศึกษาเลยอาจะศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยประวัติของพุทธเจ้าเนี่ยไ่ฟังมาจากใครก็ไม่รู้เป็นพุทธแท้แทเนี่ยยังไม่เคยศึกษาเรื่องพุทธประวัติเลยพุทธประวัติเขาก็บอกว่าประากฏที่ประเทศอินเดียเมืองลุมพินี สมัยนี้ชาวพุทธเราก็ไปกราบสังเวชนีสถานเพื่อไปพิสูจน์ว่ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่แสดงว่าไม่รู้เรื่องเลยนะศึกษาพุทธประวัติมากไปหาหนังสืออ่านหรือไม่เดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือก็ใส่ไปใน Google ก็ได้เขียนพุทธประวัติขึ้นมาเนี่ยอ่านได้ะละเอียดยิบเลยองคะเจ้าเกิดเมื่อไรที่ไหนตายเมื่อไรมีบันเทิงไว เต็มเต็มเลยนะยหมดแล้วเนะี่ยดีหมดเวลาพอดีมีใครอยากจะถามอีไหมถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนดีไหมน ะ, ะเหลื่อยแล้วเกือบสองชั่วโมงนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวนันนี้ไปพิณิพจณ า, าไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ